เช่นอะไรยุงมาเกาะเราปั๊บเนี่ยโดยสัญชตาตญาณมันก็จะเกิดความกลัวนะเกิดความกลัวแต่ทั้งทจิตมันไม่ทันไ้คิดอะแต่ความกลัวมาก่อ น, นก็ในตัวนี้ก็เรีาอาสวะมือไม้มันก็จะไปตามสัญชตาตญาณเกิดการเวทนาอาการวารินได้ยุงเกาะตุดไดุ้หนึ่งเนี่ย สติไม่ทันพิจารณามื่นไปล้มื่นไปก่อนนั้นในสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ละเอียดอ่อนมากถ้าเราไม่เริ่มศึกษาจากจุดนี้ไปเนี่ยตัวตามดยเวทนาของเราก็ไม่ละเอียดถ้าเราแยกเวทนากายกับเวทนาจิตไม่มชัดเจนเนี่ย อารมณ์ตั้งแต่อารมณ์รูปนามอารมณ์ปรมัติตก็จะไม่ชัดในช่วงอารมณ์รูปนามเพียงได้ ว, ว่าเห็นเห็นความรู้สึกทางกายชัดพอที่จะดึงจิตอยู่ได้เท่านั้นเองนะพอเราเห็นว่าความรู้สึกตัวอันเกิดจากเวทนาเวทนาทางกายมันต่อด้วยสัญญา หรือควาจำหมายว่าอันนี้เย็นรอนอ่อนแข็งเข็งตึงแล้วเราเข้าไปรู้สึกจําหมายรู้กับอาการของเวทนาเนี่ยบ่อยๆตัวลักษณะที่เข้าไปรู้ชัดๆบ่อยๆโดยที่ยังไม่อาศัยความคิดเนี่ยอาศัยความรู้สึกล้วนๆเข้าไปรู้นี่เขาเรียกว่าตัวสัญญาสัญญาใหม่หรือสัญญาที่มันไม่ส่งทอดเป็นสังขารน่ะคือสัญญาที่รู้สักว่ารู้ รู้ในอาการของความสบายความไม่สบายซึ่งมันค่อนข้างลึกนะเช่นเวลาเรานั่งอยู่มีแมงอะไรผ่านหน้าที่เราคิดว่าเป็นพิษนะจะเป็นมแมลงป่องตะเข็บตะขาบหนูวิ่งผ่านหน้าปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกรัวขึ้นมาทันทีทั้งทงี่ยังไม่เกิดเวทนาทางกายเลยนะ ยังไม่ทันกัดมันไม่ทันเจาะไม่ทันทําอะไรเราเลยเนี่ยจิตมันโดนเข้าไปก่อนแล้วจิตโดนโดนเวทนาหรือความกลัวเข้าไปทำร้ายก่อนแล้ว ท, ท, ทั้งๆที่แมลงแมงพิษแล่านั้นยังไม่ทําอะไรเราเลยเหมืนเธอนี่คือคือเวทนาที่เป็นทางตาที่เราเห็นเนี่ยมันไปสติไปจับกัวไม่ทันนะทั้งๆที่ตากระทบรูปอันหนึ่ง ว่าเป็นสัตว์มีพิษเนี่ยมันไปนกัดใจเราก่อนทั้งๆ ท, ที่มันยังไม่ทำลายกายเราเลย น, นี่เลยเวทนาที่เกิดจากเป็นสัญชตาตญาณของความกลัวนะแต่ถ้าหากว่าเราศึกษารายละเอียดลงไปกว่า น, นั้นถ้าหากในช่วงที่ตายยังไม่เห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านมาไอ้ความรู้สึกชอบมันไม่ชอบกลัวมันไม่กลัวลยังไม่เกิด เวทนาอันหนึ่งที่มันอยู่ในกายของเราแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยชัดคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้ ง, งตึงเนี่ยหรือบางทีมีอยู่มีลิ้นอ่าดูได้ตัวหนึ่งมาเกาะเรายังไม่ได้ใส่ใจมากมายพระอดได้ทนได้อยู่แล้วก็ทนไปแต่พอเราไม่สามารถจะทนได้หรือตัวอุปทานที่เกี่ยวกับ ยุงลิ้นหรือสัตว์แหงแมลงพิษที่มาเกาะเกี่ยวเนี่ยมันแรงกว่าสติที่ตามรู้เวทนาตัวนั้นเนี่ยไม่แรงพอมันก็จะเผอขึ้นมาพอเผอขึ้นมาปั๊บเนี่ยสัญชาตญาณก็ทำหน้าที่คือบังคับกายมือเนี่ยบังคับมือไปส่วนใดส่วนหนึ่งของของกายซึ่งถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์มานานแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลงลึกในเรื่องเวทนานะ มันก็ย่อมอยู่กับที่อ่ะเพราะว่ามันมันรู้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ศึกษารายละเอียดที่ที่ละเอียดลึกไปกว่า น, นั้นเนี่ยเราก็จะรู้รูปนามระดับใดระดับหนึ่งที่ไม่สามารถจะแยกขึ้นไปถึงตัวปรมหรือ ต, ตัวเกิดดับได้นะเพราะงั้ น, นผู้ปฏิบัติขั้นที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยจะต้องศึกษาเวทนาให้ละเอียดลึกลงไปเรื่อย ตลอดทังการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นการใช้เวทนาขั้นสูงนะเช่นเราทำออกกำลังกายชุด The f ไฟไลท์เนี่ยซึ่งจะต้องใช้ร่างกายนะที่เราไม่คุ้นเนี่ยทำท่านั้นซ้ำซ้ ำ, ซ, ำซึ่งถ้าเราไม่ไม่ตามดูเวทนาอย่างละเอียดนี่นะมันก็จะไม่ใช้กำลัง อันนี้นก็ผิดเป้าหมายละคือแทนที่เราจะใช้ลมปรางลมปรางเขคอยโยกลมตัวขึ้นในส่วนใดส่วนห น, นึ่งแล้วก็ตามดูเวทนาที่เกิดจากนั้นหลังลมหายใจนั้นเวทนาเหล่านี้นก็ละเอียดขึ้นในชุดกำลังออกกำลังที่ว่า The Fire Light เนี่ยจึงไม่เรียกว่า exercise หรืยว่า light light แปลว่าพิธีกรรมนะ The f l i เนี่ย ว่าพิธีกรรมที่จะทําให้สมดุรณธาตุสี่ดินน้ําลมไฟด้วยลักษณะห้าประการนะโดยการไร้ที่หนึ่งโดยการใช้วิธีหมุนตัวเนี่ยซึ่งคนไหนที่เลื่อนลมไม่ดีเนี่ย ม, มันจะมันจะหมุนได้เร็วไม่ได้ลมแต่คนไหนเลื่อนลมดีนี่สามารถหมุนได้เป็นลูกคางอะไรก็ได้อันะนี้ส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเรากลัวเรากลัวเวทนาว่ามันจะทําให้เรา เวียนหัวกลัวว่าเราล้มเราก็ไม่กล้าทำเพราะเวทนานะั้นมันหลอกเราเวทนามันหลอกเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เรารู้ท้อทันเวทนาว่าเออเนี่ยถ้าหมุนแล้วนี้อาการแล้วก็หมุนไปแล้วก็สังเกตไปหมุนไปชา้าระดับนี้ยังไม่มีอาการอะไรเรียวขึ้นกนิดหนึ่งเรียวขึ้นกนิดหนึ่งเรียวขึ้นพอรู้ท้อทันเนี่ยอุปทานของเรากลัวว่าจะเกิดกัน หมุนการเวียนก็จะไม่มีเพราะเราดูอย่างใกล้ชิดกายกับจิตไม่ได้แยกจากกันมันดูกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยโดยที่เราไม่มีเวทนาเก่าไม่มีสัญญาเก่ามาลอกเราสัญญาเก่าที่เราเคยทำเครื่องหนึ่งว่ามันหมุ น, ม, นมันเวียนมันล้มสัญญาเก่าโดยมาลอกเราพอสัญญาใหม่เราตั้งตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้จิตก็เป็นสมาธิการหมุนเท่าไหร่ก็ไม่มีผลในแง่ทําให้เราเวียนละเพราะไม่มีสัญญา หลอกเรานะดังนั้นเองถ้าหากเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่แยกไขยเรื่องเหล่านี้นะมัวนั่งดับตาสงบลมหายใจอะไรเนี่ยทำไปแลป้วปีพันปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาเพราะว่ามันไม่มีการศึกษาที่ละเอียดลึกลงไปนะดนั้นเองหลวงพ่อจริงชอบเคลื่อนไหวและชอบทํางานเพราะอะไรเพราะได้เห็นเวทนาหลายระดับ จะมานั่งเปิดพัลมนอนสวยสุขเฉยเฉยไม่ไม่มีนะเพราะอนันเราประมาทเพราะเวทนาเนะี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาถ้าปงไปสวยสุขจากเวทนาปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกิเลสเป็นอาสวะรูปนําของเราก็จะหมุนไปตามกําลังสัญชตาตญาณได้มากขึ้นนะไม่ว่าความสุขสบายเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอ า, ารมณ์อะไรก็ตามที่เราไปเผือเสพเนะี่ย มันก็จะไปเสริมให้กําลังสันชาตยานมีกําลังเท่านั้นเมื่อสัญชาตยานมีกําลังมันก็ขอให้เกิดความชอบไม่ชอบกลัวไม่กลัวเนี่ยได้ง่ายเนี่ยมันมีผลกับตรงนั้นความสุขมันก็ตามไม่ได้ความทุกข์ความชอบมันก็ตามไม่ได้ความไม่ชอบและความกลัวนีเพราะนั่นะเป็นเหตุ ป, ปัจจัยเหมือกันเลยกันเนี่ยสมมติว่าความความรักเนี่ยมันก็มาจากความชั ง, งแหละ ความชอบมันก็เกิดจากความไม่ชอบ น, นอความกลัวมันก็เกิดมาความรักตัวกลัวตายเนี่ยมันมาเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าสมมติว่าเราไม่เจริญตัววิปัสสนาปัญญาให้เห็นชัดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาตามความเชื่อมต่อระหว่างสองอย่างนี้ได้ระหว่างสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายเรามองไม่เห็น ระหว่างความปวดเปลี่ยนเป็นความไม่ปวดเราไม่ตามศึกษาระหว่างหายใจเข้าออต่อกับหายใจออกเราไม่ได้ตามรู้ชัดเจนเราโมแต่หลับเสวยความสุขกับมันเนี่ยมันจะพัฒนาไปไม่ได้เลยปัญญามันไม่เข้มแข็งจิตมันไม่เข้มแข็งเพราะจิตของเราไปแช่อยู่ในอารมณ์ชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยปัญญาไม่เกิดมันก็ไม่สามารถที่จะไปแยกให้เห็นกายกับใจลูกกับนามได้ชัดเจน ถ้าแยกร่วงงานได้ประมาณยี่บหาปรตเนี่ยตัวสำคัญตัวผิดจะลดลงตัวสงสัยจะลดลงแล้วก็ตัวสำคัญมันหมายในสิ่งที่ว่าดีไว้เชื่อทั้งหลายจะลดลงมันจะมีตัววัดนะไม่ใช่ว่าเราบอกว่า เ, ออเรารู้ร่วงามแล้วแต่ว่าเรายังยึดมัน่นถือมั่นสาคัญผิดในตัวเองอยู่เยอะยังสงสัย ความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ใช่หรือไม่ใช่ความผูกใส่ ย, ยังมีอยู่แล้วยังเอาถูกเอาผิดเอาเดียเอาชั่วกับตัวเองกับคนอื่นอยู่อยเงี้ยนี่เรียกว่ารูปนามที่เรารู้มันก็ไม่ใช่เพราะตัววัดมันออกมาสามตัวเนี่ยมันไม่ชัดนะพอเราปฏิบัติไปอย่างถูกต้องความแยกรูปแยกนามระหว่างกายกับใจได้ถึง5 0าเนี่ยความคิดมันก็จะน้อยลงความสําคัญผิด ตัวเองผิดก็จะน้อยลงความสงสัยในเรื่องความรู้สึกตัวก็จะน้อยลงความอดดื้อถือดีซื้อเราถือเขาก็จะน้อยลงเนี่ยมันมันก็จะเป็นมีตัวชี้วัดนะไม่ใช่ว่าเราเออเรารู้รู้นํารู้อันนั้นรู้อันนี้แต่ไม่ไม่ดูที่ตัวชี้วัดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไม่ดูที่ตัวชี้วัดความความผลของมันเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องโมเมลท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงฮนะคนก็ถึงเข้าใจผิดว่าตัวเองปฏิบัติ มาปฏิบัติได้เยอะไปไกลแล้วอพอกระกทบนิดเดียวขึ้นเลยมันไม่ใช่ละซึ่งก็มีตัวชีวัดนะฉะนั้นยิ่งในในโลกยุคต่อไปเนี่ยการพิสูจน์ความชัดเจนอย่างนี้ย่ยิง่งยิ่งแหลมคมมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ที่เขามีจิตสะอาดมีวิบากกรรมน้อยแล้วก็เขาสั่งสมบา ร, รมีทางนี้มามากเนี่ยเขามาทำาพชาติเขาต่อไปเนี่ยเขายิ่ง มีความซื่อตรงมีความบริสุทธิ์มีความสะอาดมีปัญญาเขาจะไปได้เร็วเขาจะไปได้ไกลคนที่นั่นจริงๆนะคนที่มีมีบากกรรมมาก็จะมาทําอะไรที่มันหนักหนาสาหัวไปเรื่อยๆเพราะมันมีเหตุปัจจัยเอื้อทั้งสองฝ่ายเหตุปัจจัยเอื้อที่จะให้คนทาชั่วดที่สุดก็มากเหตุปัจจัยที่จะให้คนทําดีที่สุดถึงขั้นหมดกิเลสก็เยอะปัจจุบันเนี่ย เพราะนั้ถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีแล้วเราเราจะไม่ทันเราจะไม่ทันซึ่งดเราปฏิบัติถึงระดับใดระดับหนึ่งเราพอใจอยู่แค่นี้ไม่พัฒนาไปนะมันกไ็ไม่ไม่ชัดเจนะแล้วมันจะเปพิสูจน์ ต, ตัไหนพิสูจน์ที่เรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ความแก่มาถึงเราก็ทุบเพราะความแก่ความเจ็บมาถึงเราก็ทุบเพราะความเจ็บความตายมาถึงเราก็ยิ่งกลัวอกสันขันแขวนเมื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นนะ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเรามันจะต้องพิสูจน์ไปทุกๆเวลานาทีไม่ใช่รอเหตุการณ์ให้มันเกิดแล้วพิสูจน์ว่าเรามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะนะเพราะเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆประจำวันมันพิสูจน์ได้ดีเช่นเรานะไปชอบในสิ่งที่ไม่ถูกใจไปเห็นในคนที่ไม่ถูกใจไปเล่นรสอาหารที่ไม่ถูกลิ้นไปสัมผัสอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัด ไปได้กิ่นอะไรที่จุ๋มุ๋เม็นเหม็นเรก็ทําหน้าเบ้หน้าบียวแล้วดี๋ยวมีใครมาพูดอะไรไม่ถูกหูใจเราก็บูดละเรื่องน้องเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ในชืีวิตวันไปแต่ละขณะแต่ละขณะเ น, นี่ยอันนี้เราไม่พูดถึงคนไม่ปฏิบัตินะคนไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาทุกเรื่องเหล่านี้เต็มร้อยแล้ะแต่เราพูดถึงเรื่องผู้ปฏิบัติถ้าเราจะวัดความก้าวหน้าันชัดเจนเนี่ยมันจะต้องลงลึกในรายละเอียดเหล่าเนี้ย ไม่งั้นเรก็จะวนไปวนมาระหว่างความดีความชั่วความถูกความผิดความชอบค่ามขมีเรามีเขามีกูมีมึงมีถูกมีผิดอะไรทำลงนี้นอยู่เกี่ยวข้องวนเยอะยิ่ว่าจะเกิดจากความรู้สึกเราเนี่ยวันวันมันก็แสดงว่าเราไม่ขาดระหว่างเวทนาในรูปในนามของเรายังไม่ขาดถึงขาดแต่ก็ไม่ห่างสมมติเราติดกันเลยเนี่ยฮะรูปนามติดกันเลยร้อเปอร์็์อะไรมันกระทบรูปมันก็ถึงนามอะไรมันก็นทมนก็ถึงรูป พราปฏิบัติได้ถูกปั๊บมันแยกมานิดนึงยีบปร์นฏิบัติด้ถูกต้อง5ีิบรซนปฏิบัติถูกต้อง 70% กเบปรฏิบัติถูกต้องรเนนี่นะมีอะไรเกิดขึ้นก็ถูกน้ำก็จบแค่น้ำผกลูกก็จบแค่ลูกเพราะว่าอันไม่ติดกันไม่ช็อตกันแล้วระหว่างสาย2สายเนี่ยสายไฟสงสายเนี่ยมันไม่แตกกันไม่ช็อตนถ้าแตกกันมันมีความชอยังกายกับใจก็เหมือนกัน นนในขั้นปฏิบัติจึงจะให้เราเสียเวลาเพราะความเข้าใจไม่ถูกต้องตลอดเวลาคือการพิสูจน์ทมไม่ใช่อยู่กินสบายไปวันวันหาอาหารมาสนองลินล้นรดหาสัมผัส ด, ดีๆหาความสุขสบายไปวันวันอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ทางนี้เ็อีกทางหนึ่งเป็นทางเสวยการมมาสุขซึ่งอยากจะให้เราไม่ได้เสียเวลาในแต่ละเวลานาที ถ้าเราเข้าใจหลักการอง น, นี้และสนามปฏิบัติก็อยู่ที่ใจเราเท่านะั้นแหะมันไม่ได้อยู่ที่ห้องหอห้องหับหรือมันอยู่ที่ที่สถานที่ละมันอยู่ที่จิตของเราละสนามปฏิบัติอยู่ที่ตรงนั้นนะและ้วในแต่ละขณะเวลาที่เราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหคนไหนศึกษาได้มากคนนั้นก็จะก้าวหน้าคนไหนไม่ได้สนใจเลยถึงเวลามานั่งสร้างจัยาวะเดินจุกมเสถีหนึ่ง ต่อปฏิบัติไปร้อยวันพันปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเคยโกรธก็โกรธเหมือนเดิมเคยเกลียดก็เกลียดเหมือนเดิมเคยชอบก็ชอบเหมือนเดิมมันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราที่ได้ผ่านปฏิบัติมาบ้างแล้วเนี่ยได้ศึกษาในรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนะโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงว่าเวลานั้นก่อนเวลาไหนก่อนต้องไปที่นั่นก่อนต้องไปที่นี่ก่อน ไม่ใช่นะต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นต้องอยู่ที่นู่นเท่านั้นไม่ใช่แต่ทุกอย่างก็ปฏิบัตินะโดยอาศัยเพร่อเวทนาในแต่เวลาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาสบายเวทนาไม่สบายนะซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องมือของเราเป็นเครื่องมือสําหรับผู้ปฏิบัติมีพื้นฐานดีแล้วนะแต่สําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ก็หมายความว่ า, วายังยังไม่ไปไหนก็ ก็เสีสุขอยู่กับความสบายไม่สบายอยู่งั้นเรื่อไปก่อนนะมีอะไรก็ขึ้นๆลงๆดีๆไลๆไปเรื่อยๆก่อนยังยังไม่พัฒนาเสียเวลาเนะสียเวลาในการปฏิบัติฉะนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วเราต้องใฝ่ความก้าวหน้าไม่ใช่อยู่กับที่เพราะอะไรเพราะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันก็ทำงานตามเวลาของมันยิ่งอายุ มากขึ้นเวทนาก็จะแรงขึ้นเพราะความเสื่อมของธาตุขันที่มันถูกเผ า, าผ่านไปแต่ละวันนะถูกธาตุไฟเผาผ่านถูกธาตุดินธาตุน้ำธาตุาานานาลมมันแปรปลวนเน้นถ้าเราไม่คอยปรับคอยกระชับคอยอดูแลมันเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมไวแล้วเวทนาแรงเพราะอายุมากขึ้น คนนั้นคนที่อายุมากขึ้นทำไมจึงปฏิบัติธรรมได้ช้าหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเวทนามันแรงเกินไปมันท่วมเหมือนเราจะปลูกผักอากาศตรงนั้นมันร้อนเกินไปเนี่ยปลูกเท่าไหร่มันก็เหี่ยวปลูกเท่าไหร่ก็เหี่ยวนะเพราะเวทนาเกิดจากภัยของความของใจรักเกิดแก่เจ็บตายตำปุดของใตรักมันเผาผลาญเราให้เวทนาเราแรงขึ้น เราจะเห็นว่าคนยิ่งอายุมากขึ้นมีความจําเสื่อมสติสัมยะอ่อนอเพราะว่ามันทนต่อแรงเวทนาเวทนาที่มันเป็นไฟเผาเราตลอดแต่พอเรายังมีอิสีเข้มแข็งสติสัมยะเข้มแข็งเนี่ยมันก็สามารถที่เข้าไปตามรู้เวทนาแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ชัดเจนเวทนาที่กระทบกายก็ไม่เผาชิต เวทานากระทบจิตก็ไม่เผากายก็ทำให้เราแก่ช้าเจ็บช้าตายช้ามันมีผลเพราะฉะนั้นทฤษฎีวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจบ่อยๆนะถ้าหากว่าเราจำแต่ตัวบทแล้วก็จำแต่อาการเก่าๆโดยที่ไม่มีการสังเกตศึกษาให ละเอียดลึกขึ้นตัวสิทิประธานสูตรก็ยังไม่เกิดประโยชน์มากเท่าที่ควรนะนั่นเองในจุดนี้ก็จรงอยากจะให้พวกเราเกิดความเข้าใจเห็นความสําคัญเกิดความเข้าใจเห็นความสําคัญเห็นอ น, นิสง์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเตือนกันเออคุณต้องขยันนะต้องมันเพียร น, นะอย่าเนื่งหลับนะไม่ต้องไปเตือนกั น, กนละเราจะเห็นโทษเห็นคุณมันด้วยตนเองเราก็จะปรับ เปลี่ยนแก้ไขได้ตนเองดูที่ไม่ทำมาใสครูบาอาจารย์ว่าจะต้องบอกต้องเตือนกันบ่อยๆว่าอย่าทําอย่างโน้นนะอย่าทำไม่ต้องบอกเราเพราะเรารู้ว่าการทําที้มันมีโทษยังไม่มีคุณอย่างนี้เรารู้ได้ตนเองเ่ยไอ้การที่ปฏิบัตินี่ศาสนาท่านให้รู้ด้วยตนเองไม่งั้นเราก็ไม่มีไม่มีใครที่จะมานั่งมาบอกเราได้ตลอดเวลาแต่ว่าเรารู้ไปแล้วบางอย่างมันสงสัยเอออย่างนี้เราต้องมาศัยกันไอ้มันใช่หรือเปล่านะมันทําอย่างนี้ อันนี้เราก็ต้องอาศัยกัลยะาณมิตรมาผู้ที่มีประสบ ก, การณ์มาพูดมาตรวจสอบที่เราอาศัยกันคือรักษาลักษณะนี้เพราะบางเพราะลักษณะที่เราไม่เคยมีประสบ ก, การณ์มาก่อนบาทีพอศึกษาในรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจลักษณะนี้เราอาศัยกรลยะามิตรครูอาจารย์ช่วยตรงที่ว่าท่านก็ผ่านถูกผ่นผิดมา ก, ก่อนเราผ่าน ความร่วมเหลือผ่านความสาเร็จมาก่อนเราท่านก็ได้ละคาตอบเหล่านี้มาก่อนเราที่เราพึ่งพากันนะท่านหนึ่นงก็ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราก็จะมีปสัสสาวปัญหาอีแบบหนึ่งมีเหลือบยุงลิ้นไลมีความาลื่นไหลมีความแปรปวนของอากาศต่างนี่ก็คอยศึกษาเพราะมันทำให้เกิดเวทนาได้ง่าย ากาศแปรปวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะชื่อธนามันก็จะแปรปวนไปตามอากาศบางที่อยู่เฉยๆก็ เ, เหงื่อออกร้อนอนีนะบางที่ก็เย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งเราอายุขึ้นมากขึ้นเนี่ยความแปรปวนในธาตุในขันก็ยังมีสูงอันนะี้มีสูงเราก็จะต้องศึกษาอย่างใกล้ชิดไม่งั้นไอ้ความแปรปวนเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อ การบีบคั้นต่อจิตของเราได้ไง่ายแต่ถ้าเราศึกษาอย่างถูกต้องเวทนาเหล่านี้มันกลับเป็นสถานศึกษาอันวิเศษทําให้เราเกิดสติปัญญาเกิดแสงสว่างได้ง่ายขึ้นนะแทนที่เราจะตกเป็นเหยื่อให้มันบีบคั้นเราเล่นไปแต่มันกลับกลายเป็นเครื่องมือทําให้เราเกิดพลังงานแปลสภาพทังความร้อนเป็นแสงสว่างปัญญา เราก็ยิ่งเห็นความจริงในกายในใจของเรามากขึ้นความสงสัยก็หยายไปได้คําตอบชัดเจนจศึกษาวผู้ได้คําตอบผู้ได้คําตอบแล้วมันจะไม่คิดไม่ใช่ไม่ปรุงไปตามข้อสงสัยมันได้คําตอบแล้วก็จิตมันก็เหมือนเราได้คําตอบเลขอ่ะมันก็ไม่ได้คิดต่อไปละมันจบละจิตของเราเหมือนกันพอมันได้พิจารณาได้เห็นคําตอบด้วยตัวเองปั๊บเนี่ยมันหายสงสัยเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเรื่องนี้จบละ สงสัยเรื่องนี้จไปสงสัยเรื่องที่ยากไปกว่านั้นอีกก็เรียนรู้ต่อไปอีกต่อไปคืออะไรเอาไเคราะห์วิจัยตามหาก็สนามศึกษาก็มีอย่างเดียวคือเวทนาผมบอกว่าเวทนาสมมูลสารนาเวทนาเป็นที่รวมรวมของธรรมทั้งหลายถ้าเราจะศึกษาธรรมทั้งหลายต้องศึกษาที่เวทนาสติอธิปัตยาสติเป็นใหญ่ในการศึกษาปัญญา สารปัญญาเป็นแก่นสารวิมุติประโยสารนังมีวิมุติเป็นที่สิสุดนะในลักษณะการศึกษาดังนั้นเองเราก็เริ่มต้นจากนี้เวทนาเป็นตัวกลางของปฏิสุบัดเริ่มต้นจากอภิชามาถึงเวทนาก็ครึ่งทางจากเวทนาตันหาวทาาัทันแช่ผู้เผยก็ครึ่งทางพอมาจับตัวเวทนาปั๊บ เหมือนกับเราไปตัดไม้ตัดเถาวันแล้วตัดตรงกลางปั๊บดึงมาทั้งตน้นทั้งปลายเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นเองมันก็ง่ายขึ้นเยอะอามาจะไม่แปลกใจว่าทำไมพระส า, ารีบุตรท่านจึงบรรลุธรรมเป็นพระหันโดยการผ่านศึกษาเรื่องเวทนาจากคำเทศนาของพพุทธเจ้าแล้วเกิดปัญญามหาศาลเลยในเวลาต่อมาอะไรมันก็ผ่านที่เวทนาหมด ง่วงก็ผ่านเวทนาตื่นก็ผ่านเวทนาเหงาก็ผ่านเวทนาถ้ามาศึกษาเวทนาให้ความง่วงตรวนั้นกลายเป็นความโมหะเป็นความหลงหมดเลยแล้วก็ไปเสพมันเสพความสุขความง่วงปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญามไม่เกิดเวลาอะไรมากระทบ ป, ปฏิฆาปัป๊บพึ๊บขึ้นมาในใจกิเลสโทสะก็ยังไม่ลดโมหะยังไม่ลดอ่าแล้วมันจะปฏิบัติเอาอะไร อ, ะอ่ะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาเสียเวลาอย่างนั้นเ ดังนันถ้าอายุพรรษาการเวลาเรามากขึ้นแก่ตัวขึ้นโดยคุณธรรมมันไม่แก่ตามนะไม่แก่ตามความเป็นจริงเนะีคนที่เขามีสายตาแหลมคนมีปัญญาเขาก็มองออกแล้วก็อายเขาแหละปฏิบัติมานานขนาดนี้เอยอยู่มานานขนาดนี้คุณธรรมมันไปไหนเลยทีนี้แล้วก็ไปทำอะไรไม่ได้แล้กคนต่อไปอย่าืมว่าดังที่กล่าวแล้วคนต่อไปเขาศาึกษาเขาศาึกษ า, าได้ไวจริงเพราะความสื่อสายสุจริตปัญญาของเขา ที่ฝึกฝนมาในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันแหลมคมชัดเจนเราจะมืมานั่งงอกๆให้เขาเห็นอย่างนี้มันอายเขาอายเขาดั้นเราก็จะต้องเกิดฮีริอุตตะปาขึ้นมานะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ใช่ทำสิ่งเกา่าๆแบบซ้ำซากเราจะต้องเกิดฮีริอตุตตะปาเป็นศีล น, นีตัวนี้นคือศีลที่แท้จริงคือฮีริอตุตตะปาอายในสิ่งที่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ความก้าวหน้าของเราเราต้องใช้ความพยายามอย่างสุดสุดที่จะแก้ไขมัน ไม่สยบยอมมันง่ายๆนะแก้ไขยี้ไม่ได้แก้ไขแบบนี้แก้ไขแบบนี้มนะันมันต้องได้รายใดรายหนึ่งนะถ้าเราไม่ยอมชำร ม, มันนะถ้าไม่ยอมชำระไม่ยอมแก้ไขนั่นก็เป็นวิบากกรรมต้องก็ปล่อยตามกรรมนะนั่นเองก็ช่วงเช้าเราพูดถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องเวทนาในทุกขณะเพราะมีตลอเวลาเย็นรอนออนแข็งเคงตึงสบายมันสบายเจ็บปวดนุดขัน บีบคั้นตรงนั้นตรงนี้มีอยู่ให้เห็นตลอดเวลาถ้าเราไม่แช่ไม่จมไม่ไม่ไปใส่ใจนะอั น, นั้นก็ค่อยใส่ใจเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้ก้าวหน้าทางธรรมไปเรื่อยๆโดยที่เราจะได้มาไมมานั่งเสียใจว่าเออไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นปฏิบัติธรรมไม่ดีเลยเไม่น่าจะไปอยู่ที่นั้น ดีทำไม่เราจะไปไม่โทษตรงนั้นโทษตรงว่าเอ๊ะมันมีเวทนาเราเห็นตลอดเวลาความปฏิบัติมันก็สามารถก้าวหน้าได้ตลอดเวลามันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยวัฎวายอารมณ์ครูบาอาจารย์มันเกี่ยวข้องว่าเราใส่ใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนตอน ท, ที่มีข้อมูลหลักฐานมีอะไรพร้อมมูลหมดแล้วเนี่ยเราต้องถามใจเราเองว่าเราเอาอะไรนะเราก็จะได้ไม่ประมาทนะวัในช่วงเช้านี้เราให้สติเท่านี้นะ กลับมาพร้มกัน